เอาเกษาดอกบัวไปจอยกบอยู่กอบัวแต่ไม่รู้จักบัวดอกบัวจะบานจะตูมจะร่วงจะโรยก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีอาจโดนด่านเสียงเคาะนี้ฉันใดตาแก่คนนั้นก็เหมือนกันอาตมาเคยเทศให้ฟังว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวนี่บรรพบุรุษของเราท่านว่าไว้ถูก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 มันเป็นทุกขติ้งยันติไม่ใช่สุขติ้งยันติทุกเพราะเบียเดเบียนกันกูเอาของมึงมึงเอาของกูท่านว่าสีเลณะสุขติ้งยันติสีเลณโคขสัมปทาเพราะฉะนั้นผู้มีน้อยก็สบายตามน้อยผู้มีมากก็สบายตามมากเหมือนสัตว์หรือแมลงบางจำพวกมีสองขาเท่ามนุษย์นี่ก็สบาย